หมอเรียนกรรมฐ า, านเยอะนะกับหลวงพ่อหมอวิศวะเนี่ยเยอะธรรมาของพระทธเจ้าจริงๆมันเหมาะกับคนซึ่งเรียกว่าปัญญาชนก็เกยงใจนะหมอวิศวะบางคนไม่ใช่ปัญญาชนแต่ก็ถือว่าเป็นพวกมีการศึกษาสูงชนะั้นหนึ่ง ของบ้านเมืองเราละสมัยพุทธกาลสาวกรุ่นแรกๆเลยนะที่เป็นกำลังหลักให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างพวกปัญจวัคคีเนี่ยพวกนักวิชาการพวกชาดินพวกอะไรพวกนี้เป็นพวกนักปรัชญาพวกภาษาธิบุตรเลยพวกนี้เป็นพวกมิดเดินคลาส พวกพวกกระดุมผีบูโรแคตพวกอะไรพวกนี้บูชัวบูชุบบูชวสีธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงจะเข้าใจได้นะต้องแหวกความเคยชินเก่าๆออกไปถ้าเราเติดในความเคยชินเก่าๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้ ยากที่จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิวัติความรู้สึกนึกคิดของคนคนทั่วๆไปนะคิดจะพึ่งคนอื่นาศาสนาพูดให้พึ่งตัวเองไม่พึ่งกระทั่งเทวดาว่าพระพรหมนิคิตและพระเจ้ากําหนดเลยเนะีเราเชื่อกรำมคือเรากําหนดเองการกระทำของเรากําหนดผลของการกระทําเอง คนทั่วๆไปเขากลัวทุกข์เขาเกลียดทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารเผชิญหน้ากับทุกข์ไม่สอนให้หนีคำสอนท่านมันแวกแนวตลอดเลยหรือการเรียนรู้ต่างๆคนทั่วๆไปเรียนรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือด้วยการคิดเอาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราในขั้นต้น เรียนปริยัติด้วยการอ่านด้วยการฟังใช้ความคิดที่มีเหตุมีผลด้วยจิตที่สงบพอสมควรแต่ในขั้นลงมือปฏิบัติใช้การสังเกตการใช้การเข้าไปดูของจริงว่าเป็นยังไงคล้ายๆทำงานวิจัยภาคสนามนึงสิ่งเหล่านี้มันแหวกแนวคนเมื่อหลายพันปีก่อน กระทังคนยุคเรายุคนี้นะก็อยังคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกอยู่อย่างพวกเรามาหาหลวงพ่อมาอยากฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะแล้ได้สวดาไปเลยนะเยบพอใจที่สุดแต่ให้ไปลงมือปฏิบัตินะไม่ค่อยอยากทำหวังเพึ่งคนอื่นหวังพึ่งสิ่งอื่นหวังลุกฟุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธศาสนามีแต่ต้องทำเอาเองต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องทำเอาเองเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของมนุษย์เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเรียนรู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นพวกงมงายนะรับไม่ไหวยากที่จะรับได้ เนีาศาสนาพุทธเนี่ยหมอกับปัญญชนแต่ปัญญชนจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นด็อกเตอร์นะที่หลวงพ่อบอกหมอบางคนไม่ใช่ปัญญชนวิศวะเขไม่ใช่ปัญญชนเสมอไปเพราะปัญญาชนต้องพูดที่ใช้ปัญญาได้คนเป็นแท้ก็พีชนต้นนี่ถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะงานแรกที่พวกเราควรทําก็คือ วางความเชื่อเดิมๆลงชั่วคราวก่อนอย่าคิดว่ากูแน่กูหนึ่งกูรู้อะไรถ้ากูรู้จริงกูไม่ทุกข์หรอกที่ยังทุกข์อยู่ได้เพราะไม่รู้จริงงั้นถ้าตั้งหลักอย่างนี้นะว่าเราอย่าเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ต้องศึกษาอยู่เป็นผู้ไม่รู้จริงทั่วถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราวางใจของเราให้แบบนี้นะเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้น ถ้ากูรู้หมดแล้วกูแน่กูหนึ่งนะเนี่ยกูนั่งสมาธิมาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อประมดเกิดอีกอย่างเงี้นะแต่กูยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมก็เรียนอะไรไม่ได้งั้นพวกเราเวลาเรียนธรรมะนะวางความเชื่อเก่าๆลงไปตัดความคิดเห็นออกไปก่อนเรามาฟังดูแล้วก็มาลองทดสอบดูว่าคำสอนทั้งหลายที่หลวงพ่อบอกให้นะ จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ในเวลาอันสั้นหรือไม่อันสั้นด้วยนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ปฏิบัติมาทั้ง 20- ่0ปีก็เหมือนเดิมถ้เหมือนเดิมไปปฏิบัติทำไมไม่ต้องปฏิบัติก็ได้นะถ้าปฏิบัติแล้วทำถูกต้องนะจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยเห็นแก่ตัวนะก็ไม่เห็นแก่ตัว จิตใจอบอมารีเพื่อเฟือเผื่อแผ่ขึ้นเคยเครียดตลอดนะต้องปรึกษาจิตแพทย์เรื่อยๆก็ไม่ต้องปรึกษาบางทีจิตแพทย์ก็มาปรึกษาเราเหมือนกันจิตแพทย์ก็เครียดนะม่นต้องเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนถึงจุดที่ว่าคนในบ้านรู้สึกได้คนแวดล้อมเรารู้สึกได้เมเขารู้สึกแล้วเนี่ย เขาถึงจะสนใจเขาจะเปลี่ยนตัวเองเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่เรารู้เขาจะอยากรู้ว่าเราปฏิบัติยังไงเนาะเราถึงดีขึ้นอย่างเงี้ยนี่มันเปลี่ยนถึงขนาดไม่ใช่ตัวเองรู้คนเดียวนะคนที่แวดล้อมอยู่เขาก็รู้เขาก็เห็นได้นะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้านะถ้าหลายปีเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกทาผิดแน่นอนนะหรือไม่ก็ไม่ทำํำนะถ้าทําถูกแล้วขยันทำนะทาถูกหลัก ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นว่าธรรมะของท่านเรียกว่าไม่เนิ่นช้าลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความมากน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความไม่คลุกครีเป็นไปเพื่อความมีศีลเพื่อความมีสมาธิเพื่อการเจริญปัญญาแล้วก็เห็นผลในเวลาอันสั้น นี่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษมากน้อยกับสันโดษไม่เหมือนกันมักน้อยเนี่ยมีความต้องการน้อยมีดีมานน้อยมีความต้องการน้อยอันนี้เหมาะกับนักบวชเหมาะกับพระพระมีมากอย่างนี้อาหารมากแต่ว่าต้องการน้อยบริโภคเพียงส่วนน้อยส่วนเกินก็แจกจ่ายไปนี้ คราวาสเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดมากน้อยนะคาราวาสรวยได้แต่คราวาสควรจะสันโดษคาราวาสันโดษเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อทำเต็มที่แล้วได้ผลเท่านี้แหละก็ยินดีพอใจในผลของเราภูมิใจนะอย่างทำงานแทบตายเลยทั้งเดือนนะได้ 5,000 บาทนะเต็มฝีมือก็อิ่มอมอิ่มใจนะภูมิใจเราทำของเราได้นะน้ำพักน้าแรงเราไม่ได้โกงใครอะ พอใจตามมีตามได้ทางทั้งที่ทุ่มเทเต็มที่แล้วไม่ใช่ขี้เกียจล้วก็บอกพอใจตามมีตามได้มากน้อยหมายถึงมีมากก็บริโภคน้อยเท่าที่จำเป็นตรงนี้ใช้เบสิกมินิมัมนิดสันโดษเนี่ยขยันทำงานให้เต็มที่เลยนะแต่ได้ผลแค่ไหนก็ อ, อิ่มใจในผลที่เราทำมาเต็มที่แล้วภูมิใจที่ได้ทำมนะไม่คลุกครี การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าครุกคลีมากนะใจจะฟุ้งซ่านถ้าครุกคลีถ้าจะคบกับคนนะ่ยคำว่าครุกคลีหมายถึงคบไม่เลือกถ้าจะคบกับคนนะให้คบคนซึ่งดีนะคบปัญดิษ์ถ้าเราครบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นอย่างคนที่อ่อนแอนะถ้าเราไปคบกับคนที่เข้าเข้มแข็งบ่อยๆครุกคลีกับเขาบ่อยๆเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นคนไหน มีแต่ศรัทธาโง่โง่ไงนะไปเจอพวกที่ชอบใช้ปัญญาคบกับ เ, เขานานๆก็ขยันใช้ปัญญาขึ้นมานะคนฟุ้งซ่านนะไปคบกับคนที่ชอบนั่งสมาธิคบใครก็พวกนั่งสมาธิหมดอีกหน่อยมันก็นั่งสมาธิได้เราคบคนยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นเวลาเลือกคบคนเราก็เลือกเราครบใครแล้วเราจเจริญขึ้นในธรรมะเราก็คบคนนั้นก็าอาจจะจนก็ได้นะอาจจะฐานะทางสังคมไม่ดีเลยก็ได้ แต่ถ้าเราอยู่ใกล้เขาแล้วคุณนะทมความดีของเรางอกงามขึ้นมาเราก็ควรจะคบกับคนชนิดนี้คนบางคนเข้าใกล้แล้วศีลทาเสื่อมเราก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาแล้วต้องรู้จักเลือกคบนะไม่ไม่คบคนเปลอะไปหมดเลยเรียกว่าคลุกคลีมั่วสมแล้วก็มั่วสมเนี่ยหมายถึงไม่รู้จักกาลเทศะ อย่างเราครบนักปฏิบัติด้วยกันนะวันวันร ว, วมกลุ่มกันอยู่ลูกเดียวเลยไม่เคยแยกจากกันไปภาวนาเลยรวมกลุ่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้คุยแต่เรื่องธรรมะทั้งวันอย่างนี้ก็เรียกว่าคลุกคลีเสียเวลามากเลยนั้นถ้าเราอยากจะได้ธรรมะที่เข้มข้นรวดเร็วนะพยายามอย่าคลุกคลีอย่ามั่วสมเอาเวลามากที่สุดน่มาเรียนรู้ตัวเอง แต่การเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่การปิดประตูอยู่ในบ้านการเรียนรู้ตัวเองที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่คอยะระลึกรู้คอยสังเกตตัวเองบ่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้ไม่ใช่หนีการกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วนะเขาก็รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจี่อย่างนี้ถึงจะดีไม่ใช่ไม่ครุกคลีก็คือหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ ไม่ใช่คนตาบอดภาวนาดีกว่าคนตาดีไม่ใช่คนหูหนวกภาวนาว่าดีกว่าคนตาดีไม่ใช่คนที่ซื้อบื้อคิดอะไรก็ไม่เป็นจะภาวนาดีกว่าคนที่คิดเป็นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานปกตินั่นแหละแต่ว่าใจของเราเนะี่ยเรามีสติคอยรัรบรู้คอยรู้เท่าทันไวนะ้มันจะไม่ตระหนเงันคาว่าไม่ครุกคลีเนี่ยนะเริ่มมาจากข้างในเลย อยู่ที่ใจของเราเองเป็นหลักเลยเราอยู่กับคนตั้งพันนะเราก็ไม่ครุกคลีได้เราอยู่กับคนตั้งพันคนเราก็ไม่ครุกคลีได้นะถ้าใจเรามีสติอยู่วันวันหนึ่งคุยกับลูกค้าร้อยคนเราก็ไม่ครุกคลีได้นะใจเราไม่ฟุง้งซ่านใจเราคอยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ในลักษณะธรรมะของพระพเจ้านะมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีนะเป็นไปเพื่อความมีศีล ศีลเป็นของดีของวิเศษคนยุคนี้เห็นว่าศีลเป็นของคนโง่คิดว่าคนฉลาดไม่ต้องมีศีล น, นี่แหละโง่ยิ่งกว่าโง่ธรรมดาอีกศีล น, นั้นไม่ได้ถือไปเพื่อความลําบากแต่ศีล น, นั้นถือไปเพื่อความสบายคนมีศีล น, นั้นสบายใจนะจิตใจสงบง่ายเป็นไปเพื่อสมาธิมีสมาธิก็ไปเดินปัญญาต่อมีปัญญาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้งั้นถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานที่ดีนะสมาธิจะไม่มี สมาธิไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีญญมมพ้นทุกข์ไม่ได้นะเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้พวกเราต้องตั้งใจรักษาศีน่าไว้ก่อนไม่ต้องศีลปดสี 8, สิบอะไรหรอกนะเป็นฆราวาส น, นี่รักษาศีน่าไว้กระทั้งพระก็ต้องรักษาศีน่านะพระบางองค์ถือศีสองรแต่ลืมสีน่านี่หลวงปู่ดูลเคยด่านะว่าลืมถือศีน่าไปแล้ว รักษาศีลห้าไว้วิธีรักษานะีไม่ต้องไปขอกับใครพวกเราชอบไปขอศีลี่ยพระขอศีลนะ่ยตั้งใจงดเว้นเอาไว้นะว่าเราจะไม่ทําบาปทางกายทางวาจาห้าอย่างตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนจะนอนก็ตั้งใจงดเว้นไว้คล้ายๆบอกตัวเองเตือนตัวเองเรื่อยๆ การที่ต้องไปบอกกับพระนะั้นก็คล้ายๆหาพยานคล้ายๆปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าต่อไปนี้ผมจะถือศีลห้านะถ้าเวลาจะทําผิดศีลห้าจะได้ละอายใจบ้างแต่ถ้าหน้าด้านไม่ต้องมาบอกขอกับพระเลยนะเพราะว่าไม่ละอายถ้าเราละอายใจเราก็มาบอกกับพระแล้วก็ตั้งใจรักษาแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอนะเราตั้งใจรักษาเ อ, าเอง ศีลห้าจะยากอะไรถ้ารักษาได้เราจะมีความสุขอย่างคนที่คิดทําร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าเขาที่ทําร้ายคนอื่นคิดจะทําทร้ายสัตว์อื่นเนี่ยไม่มีความสุขความสงบในใจของตัวเองคนที่มีความเมตตากรุณานะต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในใจเห็นไหมว่าคนมีศีลมีธรรมขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขคนที่จะลักเขาขาโมยเขาปล้นเขานะฟุ้งซ่านไม่มีความสุขเราเครียด ก่อนจะไปขโมยเขาก็เครียดต้องวางแผนระหว่างขโมยก็กลัวคนเห็นขโมยแล้วก็กลัวว่าความลับจะล่วงไหลอีกนะไม่มีความสงบสุขในขณะที่คนที่ให้คนอื่นได้ทําทานได้นะทำทานด้วยความอิ่มโมหิมใจก่อนการทาก็อิ่มใจระหว่างทําก็อิ่มใจทําแล้วมา น, นึกถึงอีกก็อิ่มใจอีกนะใจก็ได้สมาธิขึ้นมามีความสุขมีความสงบขึ้นมาคนที่ไม่ประพฤติผิดในกามนะ สันโดษในคู่ของตัวเองนะจิตใจก็สงบนะคิดจะไปเป็นชั่วเขาคิดจะไปหลอกผู้หญิงหลอกผู้ชายนะยุคนี้หลอกกันหมดนะผู้หญิงยุคนี้ก็เห็นว่าผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางเหมือนกันแหลนะเนะฉยชมแล้วก็ทิ้งได้นะคิดจะหลอกกันไปหลอกกันมานะฟุ้งซ่านซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสบายใจปลอดภัยดีด้วยนะคนโกหกหลอกลวงไหฟุ้งซ่าน ต้องวางแผนจะโกหกยังไงให้แนบเนียนโกหกงไงเขาจับไม่ได้พูดกับคนนี้ไว้อย่างหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งสองคนมาเจอกันจะทํำยังไงีนะ้ยุ่งคนมีสัจจานะพูดจาน่าเชื่อถือไม่ต้องคิดมากเลยนะสบายใจว่ากันคนกินเหล้าเมายานะขาดสตนะิไม่รู้จักเรงกลัวอะไรทั้งสิ้นคนมีสติสัมปชัญญะนะกนะ็ดีกว่าเยอะเลย แม่ศีลห้าเนี่ยถ้าเรารู้จักคุณรู้จักประโยชน์ของศีล5้าอย่างแท้จริงนะเราจะเต็มใจรักษานะไม่งั้นเราก็ขอศีลส่งเดชแต่ปากนะั่เปล่าๆนะมีสูงมีสูงลักษณนนัตถายาสสวยกันเย่งเยงเลยนะแต่ไม่เคยรู้ว่าศีลมีคุณค่ายัางไงขอส่งเดชไปงั้นเห็นพระให้ง่ายขอทีไรก็ให้ทุกทนะีให้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะไม่เห็นคุณค่าเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาพอนะเราจะรู้ว่าการรักษาศีลนี่มีคุณค่ามากเลย ทำให้เรามีความสงบสุขในจิตใจนะทาให้เราไม่วุ่นวายกับโลกมากนะอย่างจะทําอะไรต่ออะไรนะถ้าผิดศีลผิดธรรมนะรวยยากนะค่าใช้จ่ายเยอะเลยทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมมีศีลมีธรรมนะก็วรวยง่ายกว่าสงบง่ายกว่าเป็นคนน่าเชื่อถือมากกว่ามีเครดิตสูงกว่ า, าถ้าเราเข้าใจคุณค่าของศีลนะการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เนื้อธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นไปนะเพื่อความมากน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีนะเป็นไปเพื่อความพัฒนาของศีลเป็นไปเพื่อความมีสมาธนะิสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตใจของเราปกตินี่ฟุ้งซ่านตลอดเวลามันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ กลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังนะอยากจะมีความสุขวิ่งไปดูหนังดูแล้วยังไม่หายกลุ้มไปฟังเพลงฟังเพลงแล้วหิวอีกลว้วิ่งไปหาอะไรกินอีกนะใจเนี่ยขาจะวิ่งพล่านพล่านพ ล, า น, พลานไปตลอดเวลาเลยชื่อว่าใจฟุ้งซ่านถ้าต้องการฝึกสมาธิให้ใจสงบนะเราก็รู้จักเลือกอารมณ์ถ้าจิตของเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนที่มันไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่ดีนะอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นแล้วมีความสุขเนะี่ย จุดสำคัญอยู่ที่ว่าเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตได้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันเดียวนะจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นๆจิตก็สงบนี่คือหลักของสมถะกรรมฐานเคล็ดลับมีเท่านี้เองเนี่ยนั่งทําสมาธิกันปางตายทำไงก็ไม่สงบไม่รู้เคล็ดลับหลวงพ่อนั่งสมาธิแต่เจ็ดขวบนะสรุปเคล็ดลับได้เมื่อเราต้องอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเกนี่ หายใจเข้าพูดหายใจออกโธเนี่ยอยู่กับลมหายใจนะมีความสุขหายใจแล้วมีความสุขหายใจแล้วมีความสุขใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะใจก็จะอยู่สงบอยู่ในลมกระลมหายใจลมหายใจก็กลายเป็นแสงไปลมก็สว่างเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาแล้วสงบอยู่กับแสงเนี่ยหลักของการทําสมาธิสมาธิบางอย่างไม่มีแสงนะไม่มีดวงนิมิต อย่างการเจริญเมตตาเนี่ย แ, แผ่เมตตาไปเรื่อยจะไม่มีดวงปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นจิตก็ทำความสงบประนีตไดนะ้คนไหนที้มโมโหก็แผ่เมตตาไปเรื่อยวิธีแผ่เมตตาไม่ต้องไปเข็นเมตตาออกจากใจแผ่แผ่แบบนี้นะไม่ไปหรอกเมตตานะแต่แรกก็นั่งนึกเอานั่งนึกเอานะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเทิด อ, อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญที่เราทําแล้วทั้งหมดด้วยเถอะนะทุกๆคนทุกๆคนอนะไรเน้นนึกไปเรื่อยนะันึกอย่างนี้เรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆนะยใจมันค่อยๆเยน็นขึ้นมาใจค่อยสงบสบายพวกขี้โมโหนะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแผ่ทั้งวันเลยก็ได้ใจก็จะค่อยเย็นๆมีความสุขขึ้นมานะพวกขี้โลภพวกราคะมากอนะไรเนี่ยจะพิจารณาร่างกายดูร่างกายเป็นส่วนๆ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันของไม่สวยไม่งามนะพิจารณาไปเื่อยใจก็สงบจากราคะไม่ฟุ้งไปใจโกรธนี่ก็คือใจมันฟุ้งไปกระทบอารมณ์แล้วไม่พอใจนะใจรอบก็คือมันฟุ้งไปไปกระทบอารมณ์แล้วพอใจนะใจหลงก็คือใจมันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนะงั้นอยาถ้าคนไหนขี้หลงใจลอยบ่อยอะไรบ่อยนะั้นหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไป จิตนี้ไปแล้วก็รู้เอาใจก็ค่อยสงบสบายอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขได้ก็สมาธิมก็เกิดได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิชนิดที่หนึ่งคือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมะก็คือคําว่าอารมณ์นันคนไทยไปตัดไม่ฮนากาศออกนะถ้าภาษาที่ถูกคืออารัมะ อย่างพระอานนทะ์นะคนไทยเรียกว่าพระอนนท์นีถ้าเราย้อนขึ้นไทม์แมชชีนไปวัดเชตวันไปถามหาพระอนนท์ไม่มีใครรู้จักเลยต้องถามหาพระอนันต์เนี่ยก็ตัดมงนาอากาศออกไปคนไทยนั้นอารามันูปนิชานนะที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตสงบในอารมณ์เดียวได้เพราะรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขถ้าทําได้นะจิตใจก็มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่เคลียอน ะไม่เคลียดเลยแต่ว่าไม่เดินปัญญาสมาธิมันยังมีอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานี่ไม่ใช่อารมณโนปนิชฌานแต่เรียกว่าลักคนูปนิชฌานลัคนูคือเห็นลักษณะลักษณะในคนไทยเรียกว่าลักษณะลักษณะเป็นภาษาบาลีแต่คนไทยยืมศัพท์นี้มาใช้นะยืมศัพท์ภาษาสันสกฤตมาใช้เรียกลักษณะเคยได้ยินคําว่าไตรลักษไหมไตรลักษณะ ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นลักขะลักขณะกไก่ต้องต่อด้วยขอไข่สมาธิที่เห็นไตลร ล, ลักษณะของสมาธิชนิดนี้นะจิตใจเป็นคนดูเป็นสภาวะที่เรียกว่าความตั้งมั่นพวกเราไปเปิดพระชนนุกรมดูให้ดีนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบอันนี้พวกมักง่ายแปลเองว่าสมาธิแปลว่าสงบ ในพจนานุกรมทั้งหลายนะไปดูนะว่าสมาธิจริงๆแปล ว, ว่าความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตหมายถึงอะไรหมายถึงจิตไม่แสสายไหลเฟลิอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์ถ้าจิตของเราไหลไปตั้งนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์เรียกว่าอารามนูปนิชานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ทาสมถกรรมฐาน ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์นะตั้งอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองใจของเราจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนดูคนหนึ่งร่างกายเดินอยู่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจมีใจเป็นคนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจใจเป็นคนดู ใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูตัวนี้แหละเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานงานทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืองานวิจัยภาคสนามละตัว อ, อว็อบเจกต์ที่เราจะเรียนในการวิจัยภาคสนามก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราความจริงของรูปธรรมนามธรรมอันนี้ก็คือไตรลักษณ์นั่นเอง ร่างกายนี้ไม่ desktop, เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาจิตใจของเรานี้ไม่เที่ยงจิตใจของเรานี้เป็นทุกข์จิตใจของเรานี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการที่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามเราจะไม่ได้คิดเอาว่าร่างกายไม่ดีร่างกายแย่อย่างนี้ร่างกายเป็นทุกข์อย่างนี้นะ เราจะไม่ค pues no, ja ิดเอาว่าจิตใจเป็นอย่างน้นจิตใจเป็นอย่างนี้จิตใจมันเป็นของห้ามไม่ได้น่าอะไรเงี้ถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าคิดอยู่เรียกว่าวิตกคําว่าวิตกคือคําว่าตรึกนะถ้าวิปัสสนาปัตสนาเพื่อเห็นวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่เที่ยงในความเป็นจริงแล้วมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในความเป็นจริงแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเรานะไม่ใช่ของเราที่แท้ จ, จริงการที่เราจะมาทำปัญญาจเจริญปัญญาแลวเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมาได้เนี่ยจิตต้องถอยตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการถ้าจิตยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่จะไม่สามารถเห็นความจริงได้นะเหมือนเราอยากเห็นพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งนะเราต้องทาใจเป็นกลางจริงๆ ไม่ใช่ดูใครก็ตัดสินตลอดเลยว่าคน น, า น, คนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นนี้การตัดสินของเราอาจจะผิดก็ได้เห็นไหมจริงๆที่เขาดูตึงตังเอะวยวาแล้วก็สรุปว่าเขาขี้มโมโหนี่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่นิสยัยเป็นคนเสียงดังเป็นกิริยามารยาทโฉงชางนะแต่จริงๆใจดีก็ได้งั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ย น, นะเชื่อไม่ได้หรอกคนะิดเอาเองตัดสินเอาเองเชื่อไม่ได้ เราต้องเข้าไปดูเข้าไปสังเกตการว่าจริงๆมันเป็นยังไงต้องใช้เวลาในการสังเกตการนี่แหละคืองานวิจัยภาคสนามจริงๆนะสำหรับชาวพุทธเรามาสังเกตการร่างกายมาสังเกตการจิตใจรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายว่ามันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงมันถึงเวลามันจะเห็นเองเนาะเพราะว่าความจริงมันไม่เที่ยงความจริงมันเป็นทุกข์เปนะ็นอนัตตาเราไปดูว่าจริงๆมันเป็นยังไง จะไปดูได้นะใจต้องถอยออกมาเป็นคนดูไม่มีไบเอชนะไม่มีไบเอชเพราะว่าชอบมันไม่มีไบเอชเพราะว่าเกลียดมันไม่มีไบเอชเพราะว่ามีความเชื่อเก่าๆแฝงอยู่ในใจของตัวเองแล้วเอาความเชื่อเก่าๆนั้นไปตัดสินนะแต่ถ้าต้องถอยตัวออกมาเป็นคนดูมาเป็นกรรมการคลนะ้ายๆเราเป็นผู้พิพากษานะเราไม่ชี้ผิดชี้ถูกใครนะนะแต่ใจเราต้องเป็นกลางจริงๆ หรือเป็นกรรมการห้ามมวยนะใจต้องเป็นกลางจริงถ้าแอบไปเล่นมวยไว้ข้างหนึ่งนะมันไม่เป็นกลางล้ ม, มีส่วนได้เสียแล้วงั้นเราจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับกายกับใจของเราเองนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะวิธีการก็คือต้องมาฝึกจิตให้ได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นออกมาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยมีวิธีฝึก2วิธีเนี่ยไม่มีใครสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อหรอกนะส่วนมากท่านก็สอนไป พูดโทรเอาจบเราไม่พูดเลยละสอนตั้งหลายปีก็สอนสั้นๆแค่นี้ต้องตั้งใจทำม า, มากเลยหลวงพ่อเน่สอนละเอียดยิบเลยนะสอนให้แทบจะครบทุกแง่ทุกหมุมเลยวิธีที่จะฝึกให้เราได้รักหนูฟนิชานคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานนะพวกเราถ้าทำฌานไม่ได้วิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่สองวิธีทาฌานอันนี้จะยาวไปนิดหนึ่งนะ ก็คือต้องถึงชาญนที่สองลาวิตกลาวิจาร์ก่อนมีวิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณมีวิจาร์คือจิตส่งออกไปเคล้าเคลียกอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นปฏิภาคนิมิตเป็นแสงสว่างเเราจิตเข้าไปจับอยู่ที่แสงอยู่นี่นะยังไม่มีตัวรู้นะถ้ารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับปฏิภาคนิมิต ไปไปตรึกในปฏิภาคนิมิตไปเคล้าเคลียคือไปตรองในปฏิภาคนิมิตการที่จิตส่งออกไปอยู่กับปฏิภาคนี้จะขาดสะบั้นลงจิตจะทวนกระแสกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะงั้นในตั้งใจปิดกจะพูดถึงสภาวะชนิดหนึ่งชื่อเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยเกิดขึ้นในชานที่สองนะเอโกทิภาวะก็คือความตั้งมั่นของจิตนั่นเองจิตละวิตกวิจารละการตรึกการตรองในอารมณ์นะ ก็ทวนกระแสเข้ามาตั้งมั่นอยู่ที่จิตได้ถ้าเราได้สมาธิได้สมาธิชนิดตั้งมั่นด้วยวิธีเข้าฌานมานะสมาธิตัวนี้จะทรงกาลังอยู่ได้นานแต่ก็ไม่เกินเจดวันนะก็เสื่อมเวลาที่มันทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยมันจะเห็นรูปธปรรมนามธรรมาเนี่ยทำงานอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นด้วยซ้าไปนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงแต่ถ้าเราทําชาญไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่สิ้นหวังสัทีเดียวนะ คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็ทาําฌานไม่ได้พระอาหารหันต์ส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลก่อนจะบรรลุพระอรหันต์ก่อนจะบรรลุพระโสดาอะไรก็ทาําฌานไม่ได้เหมือนพวกเรานี่เองนะอย่างเมื่อวานที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะพวกที่ไม่ได้มาเล่าย้อนนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับพระหมู่สงฆ์จํานวนมากนะนะท่านก็อธิบายให้สงฆ์ฟังบอกว่าในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อองค์เนี่ย เป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยหกองค์ได้อภิญญาหกหกองค์ได้อุปโตภาควิมุตหกสิองค์3ามจำพวกนี้ต้องสรงฌานนะรวมแล้วร้อยแปเองอีก320คือคนอย่างพวกเรานี่เองเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราเข้าฌานไม่ได้เราจะสิ้นหวังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะไม่ใช่เลยนะเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ เรามีความฟุ้งซ่านมากเราไม่ได้มีสมาธิมากเข้าฌานไม่เป็นเราก็มาฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแต่มันจะตั้งอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ตั้งนานเป็นอัปนานสมาธิแต่จะตั้งเป็นขณะขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิตั้งเป็นขณนะขณะคณิกะสมาธิเนี่ยวิธีฝึกนะพวกเราเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อจะเข้าฌานทําเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเอง หัดพุดโทโธไปก็ได้หัดรู้ลมหายใจไปก็ได้หัดดูท้องพองยุบไปก็ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทําแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์มันนั้นถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์มันา น, านั้นจะไปเป็นสมาธิชทิดที่1คือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณ์นูปนิชฌานถ้าทํากรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้ทนันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอนั้นก็รู้ทนันจิตมันเคลื่อนตลอดน้ําเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งก็ได้ ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะเลิกเคลื่อนเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นอยู่กระฐานเราะฉั้นเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเราหัดรู้ลมหายใจนะจิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นนั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งซะก่อนนะถ้าไม่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยจิตจะไหลตลอดเวลาจนดูไม่ทันเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดูไม่ทันหรอกนั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานซะอย่างหนึ่งพุทธโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ในลมันเดียวก็รู้นะจิตเคลื่อนไปเมื่อไหร่ให้รู้ทัน รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งของมันเองนะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจะมีลักษณะที่เบามีลักษณะที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะปราดเปรีย ว, ว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้านั่งสมาธิแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อให้รู้ทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วละ่นะนอกฤทธิ์นอกรอยเราไม่ใช่สมาธิในทางศาสนาพุทธแล้ว หรืนั่งแล้วก็เคลิมงอกงอกแงะแขาดสตินะใช้ไม่ได้เลยนะจิตไม่ได้มีความคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานเลยจิตสลึมสลือหรือจิตเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี้ออกข้างนอกไปนะจิตไม่อยู่กับฐานในสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมืจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหนีไป เมื่อไหลมันก็ลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะเบาสบายนุ่มนวลนอนโยนคล่องแคล่วว่องไวมีความสุขความสงบอยู่ในตัวเองจิตจะถอยตัวออกมาจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมเพราะไม่ไหลเข้าไปในปรากฏการณ์ทั้งหลายนะจิตจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูเมื่อจิตเราถอยตัวออกมาเป็นคนดูแล้วนะวเราก็มาเจริญปัญญาต่อ ถ้าไม่เจริญปัญญายังไม่ใช่เนื้อแท้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีใช่ไหมเป็นไปเพื่อความมีศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญานะแล้วสุดท้ายก็คือต้องหลุดพ้นในเวลาอันสั้นด้วยนะไม่ใช่ทําไปชาตินี้แล้วอีกแสนชาติบรรลุนะนั่นสิ้นหวังเกินไปนะไม่ใช่คําสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านสอนที่เน้นปัจจุบันนะทุกวันนี้มีการไปสอนกันนะว่า ยุคนี้ไม่มีพระละหาันยุคนี้ไม่มีพระอ ร, ร, ริยะแล้วนะต้องรอภาษีอริยะเมตไตรอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกเองอะตราบใดที่โลกยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระละหันเราจะเชื่อใครนะเชื่อพระพุทธเจ้าว่าต้องตั้งใจภาวนานะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้อย่าท้อแท้สิ้นหวังกับคำสอนเรื่อนๆลอยๆว่าไม่มีโอกาสจะเป็นเป็นบนรรลุมรรคผลแล้วนะทําให้ถูกมันก็ทำให้ให้มากพอน้ําก็ได้เองแหละ งันเราพอใจเราตั้งมั่นแล้วนะเราก็จะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่จิตใจร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกกอนอน็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมาดูจิตดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ลทั้งหลายไม่ใช่จิตหรอก เป็สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นเข้านะแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้กระทั่งตัวจิตทึ่งเป็นคนรู้เองก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดียวก็หลงไปตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันสุดท้ายก็จะเห็นแต่สิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเดียวกระทั่งตัวจิตเองไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่บังคับได้กระทั่งตัวจิตเองนะแต่ถ้าเราไปทําสมถะเพ่งรู้สึกจิตนี้เป็นตัวเราจิตเป็นอัตตาเราบังคับได้นะแต่ถ้าเดินปัญญาทำํำมิปัสสนาไปอย่างที่ว่านี่จะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา นะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่ามีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ที่ดับไปนะขันทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกข์ที่จะเป็นพระอรหันต์นะเพราะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลในเวลาไม่นานนะต้องไม่นานด้วยนะถ้านานไม่ใชนะ่เอาไปทานข้าวไปนี่หมดเลยครับ